ท่านสาธุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาต่อกันตามนางสีเขียนว่าผลข้งการตายข้างที่หนึ่งแล้วผลข้งความตายข้างที่หนึ่งเอาแต่มาก็ไมได้แจ้งกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทแล้วว่านางสีฉบับนี้หลังที่ท่านเจะกลม เจอกลมเสริมนะเือว่าท่านพนกกาศโทรหมอมลายวงเสริมสุขสวัสดิ์ท่านลอกจากเสียงของเทพปลาเป็นนงสีอ่านมาก็ไม่เคยหยิบขึ้นมาอ่านเลยก็เลยไม่รู้เรื่องราวว่าที่พูดไปนะั้นมันพูดอะไรไปบ้างวันนี้ถ้าเวลาที่พูดนี่ก็รู้สึกว่าต้องค่อยๆแกะกัน เป็นอนุนเล่ากันต่อไปตามหนังสือท่านเขียนว่าผลของความตายครั้งที่หนึ่งในหสือบอกวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบสี่ฉันไม่มีไม่มีเวลาว่างมากนักเพราะมีคนเข้าเรือมาให้เจอเนี่ยพระต้องเป็นอย่างนี้นะพระต้องทำเป็นทุกอย่าง เป็นหรือไม่เป็นเขาให้ทำมันก็ต้องเป็นอาชีพเจิมเรือดูมาว่าจะเป็นที่เรื่องใหญ่มากก็มีคนชอบเอาเรือมาให้เจมิมเมื่อเขาให้เจมิมฉันก็เจมิมเจิมแล้วมันจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของเขาแล้วก็ไม่ยอมรับเข้าใจว่าใช้ก็ทำถ้าไม่ทำเขาก็เขาก็ใช่แบบนั้นตาคาร แต่ว่าเขาก็เรือกันว่าเรือที่เจิมไปแล้วเกิดหากิ่งคล่องแต่แต่ว่าตามที่ฉันในตำราสีนะเรือหากิงคล่องและคนเจ้าของเรือหากิ่งคล่องตามความรู้สึกของฉันฉันคิดว่าเมื่อเจิมแล้วเจ้าของเรือหรือว่าเจ้าของรถที่มาให้เจมิมถ้าเป็นคนขี้เกียจไม่ขยันหากิน หรือว่าเป็นคนขยันแต่ไม่ฉลาดในการติดต่อฉันคิดว่าเรือหรือรถที่ฉันเจิมไปให้ก็คงไม่มีผลตามที่เขาพูดนี่ตามความรู้สึกว่าจะมาแต่ว่าเมื่อเขาเชื่อว่าดีฉันก็ทําให้เขาอย่างน้อยก็อาจจะเป็นเหตุสร้างกําลังใจให้แก่เจ้าของเรือหรือว่าเจ้าของรถที่มาให้เจิม ทีนี้เรื่องกฎของการเรื่องกฎของกรรมนะะต้องฟังให้ดีนะแต่เราเสือว่าเรื่องกฎของกรรมเดิมนี่มันมองเห็นกันยากคําว่ากรรมเดิมในหมายที่ไอ้ ก, กรรมนี่แปลว่าการกระทําญาิโยมพุทธบริษัทที่เราเกิดมาเป็นคนเราเกิดมาเป็นสัตว์ชาติในอันดีต เราทำความดีหรือว่าทำความชั่วเอาไว้ท่านเรียกว่ากรรมถ้าเราทำความดีก็เรียกว่ากรรมที่เป็นกุศลและที่เรียกวงกันว่ากุศลกรรมแต่ว่าถ้าเป็นความชั่วก็เรียกว่าอากุศลและกรรมแปลว่ากรรมที่เป็นอกุศลคำว่ า, ากุศล น, นี่เขาแปลว่าฉลาดคำว่าอกุศลแปลว่าไม่ฉลาดคนฉลาดทำงานทุกอย่างมักจะได้เปรียบ มีเหตุเพื่อความสุขคนที่ไม่เฉลา่คือคนโง่ทำทุกอย่างไม่จะทำเลยเถิดเกินพอดีแรืว่าขาดพอดีคือไม่ค่อยจะพอดีกับความสุขจะได้มีทุกข์เป็นว่าจะว่าตามองเสีต่อไปมวยความกรรมเดิมเนี่ยมองเห็นได้ยากเลยไม่มีใครอยากจะมอง ผลงานที่ยังดีมีผลหรือไม่ดีไม่มีผลมันเป็นกฎข้องกรัรนอดีตแล้วก็จะเป็นอดีตใกล้ปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้อคือทําเดี๋ยวนี้นะคือทําเดี๋ยวนั้นแล้วก็ผ่านไปไม่กี่นาทีก็มีผลหรือว่าแปนอดีตใกล้ปัจจุบัน คือเวลาผ่านไปในน้นหน่อยจึงมีผลกรรมแปล ว, ว่าการกระทาเราทำให้ลูกค้าคือคนที่จะมาซื้อของของเราถูกใจชอบใจในเราอย่างนี้เรียกว่ า, ากุศลกรรมคือทำาด้วยความฉลาดการที่ทำให้คนที่มาซื้อของไม่ชอบใจเรียกว่ า, ากุศลกรรมแปล ว, ว่าทำได้ความโง่ เรื่องของกรรมคนจะคนมักจะมองข้ามไปเห็นว่าเรื่องของกรรมนี่เป็นเรื่องประดามปราเข้าใจว่าเก่าคืนไปเลยมองผ่านไปความดีแล้วก็ความชั่วจะรวยหรือจนไม่ใช่เรื่องของเทพเจ้าบันดาลมันเป็นเรื่องที่เราทําแต่เมื่อเราไม่ไว้วางใจตัวเราเอง ก็เลยต้องอาศัยฮะก็เลยต้องอาศัยพระบางอาศัยเจ้าบางคือเจ้าเขาได้แก่เทวดาเป็นกำลังใจความจริงก็ดีเป็นกันเป็นการหาที่พึ่งทางใจแต่ว่าถ้าคนนำนำไปในทางที่ผิดก็จะกลก็จะเลยทางดีไปเสีย ไอ้ทางที่เป็นทางคอนกรีตเนืทางลาดยางอสฟันไม่เดินดีเลยทางดีก็ไอ้ดวงทางที่รกทางที่มีน้ําถ้าคนนานำไปในทางที่ถูกก็มีผลไม่น้อยในตันเสว่าคนแนวคนมีที่เกาะแม้จะเกาะพลาดแต่คนฉลาดในการนําก็สามารถจะนําให้เข้าทางที่ถูกได้ <c oughs> เช่นการเจิมรถเจิมเรือถ้าคนเจิมบอกให้จะของรถหรือว่าจะของเรือเกาะแต่แป้งหรือสีที่ทาให้อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการนำผิดเมื่อทาแป้งและทาสีให้แล้วก็ควรจะแนะนาให้เขาขยันหนึ่งต้องขยันทำมาหากินสองพูดดี สี่มีควา ม, นะมรับมติวังหมาะให้ยึดอะไรสักอย่างหนึ่งจะเป็นเจ้าหรือว่าจะเป็นพระก็ตามที่เขาพรารบนับถือพอใจเป็นหลักคนยึดอารมณ์นั้นเป็นหลักผลการเจิมก็ได้ผลแต่ว่าถ้าคนเจิมมุ่งเอาแต่เอาดีเกินไปให้จุดทูกจุดเทียนบูชายอย่างเดียว ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการแนะนำในแนทางที่ไม่ควรผลของการเจิมดีหรือชั่วยอย่างไรนั้นฉนันเ้นว่าเป็นเรื่องคนเจ้าของเรือเจ้าของรถตัเองถ้าโง่เจิมกี่ล้านครั้งก็ไม่มีผลถ้าฉลาดไม่เจิมเลยก็รวยมหาศาลฉะนั้นเรื่องของการเจิมจึงขอผ่านไป เมื่อเมื่อมันมาชนเข้ากับเข็นเปรป่าว่าอย่างนั้นเองจะได้ทราบว่าพระยิ่งแก่งานก็ยิ่งมากแต่ว่าถ้าพระเมางานก็มีหวังลงนรกนี่ตามเรื่องพระนงสรีตอนนี้ก็เติมนิดหน่อยเพราะว่าเป็นเวลาไอ้วันนั้นจริงๆเป็นวันที่เขาจะใช้เตรีมรถ แต่มานี่รู้สึกว่าจะถูกเกณฑ์ให้เป็นทุกอย่างผัวหายเมียหายลกูกหายใครป่วยใครไม่สบายใครจนใครรวยไม่รู้แกนึกว่าแตมาเป็นผู้วิเศษจะต้องทำให้แกนได้ทุกอย่างแกก็มาเกณฑ์ให้ทำนะแต่ความจริงก็มีเรื่องหนึ่งบางคนผู้หญิงอยากจะมีผัว ผู้ชายอยากจะมีเมียมาเป็นที่มาขอเป็นที่ปรึกษาไอ้เป็นที่ปรึกษานี่ก็หนักอยู่แล้วนี่มีตั้งมากมายก็มาขอสน่ห์ขอเมตตาขอเมตตาว่าอยากจะได้ผัวอยากจะได้เมียเนี่ยขออะไรบ้างไอ้ที่มันเป็นเมตตาทํำไมเขารักพอก็ขอตอนนี้แต่บรรดาญาโยพระธบริษัทก็นึกสะดุดมาทันที ที่สะดุดนัไม่ใช่กโกรธยังนั่งนึกในใจว่าไปโถอเอ้ยการที่เราจะขอของเขาน่ยก็ต้องดูว่าเจ้าของเนี่ยเขามีของที่เราจะขอไหมถ้าเราจะขอข้าวกิงก็ต้องดูว่าคนนั่นเขาต้องมีข้าวมากจะขอน้ํากินก็ต้องดูว่าเขาต้องทราบว่าเขามีน้ํามาก จะขอเงินใช้ก็ต้องรู้ว่าเขามีเงินอยู่มากตอนนี้เขายังมาขอให้พระช่วยเขามีผัวมีเมียกันแล้วท่านบุค ข, ขออาจจะลืมไปว่าพระนี่ไม่เคยมีเมียกับเขาอ่ะแล้นีนเมื่อพระง้อในการมีเมียแล้วจะไปแนะนำให้เขามีผัวมีเมียกันได้ยังไงตรงนี้หนักใจนิดหนึ่ง แต่ก็มีจุดหนึ่งที่หนักใจก็มีมากรายจริงๆที่เธอไม่มีลูกส่วนมากเป็นผู้หญิงไม่จะมาขอมาขอลูกกับพระเพราะขอลูกกันหนักใจทันทีทางนี้พวกอะไรพวกพระนี่ไม่มีอาชีพสร้างลูกเลยพระพุทธเจ้าห้ามได้ขาดว่าแด่ขขืนเริ่มสร้างลูกลูกแล้วก็ท่านปรับไปอาบประดาชิต ต้องขาดใจความเป็นพิสุจะนิ่นในเรื่องการขอลูกนี่จึงเป็นเรื่องหนักใจมากแต่ก็ได้แนะนําเธอเพื่อหาที่พึ่งทางใจว่าเธออยากจะมีลูกแล้วก็ไปบูชาพระพุทธรูปองค์นั้นไปบูชาพระพุทธรูปองค์นี้ขอบารมีเขา อ, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากว่าเทวดาองค์ใด ที่มีบุญญาดิการเหมาะสมเพื่อสร้างให้ตระกูลมีความสุขถ้าหากว่าท่านจะทรงเครเาะห์ก็ได้โปรดขอบราดโปรดมาเกิดเป็นบุตรและวิดาก็เลยหาวิธีเลี่ยงแบบนี้ก็สบายใจหน่อยแล้วก็มีหลายคนในแน่ตามไปและไม่ช้าเธอก็มีลูกทันทีและลูกที่ออกมาก็รู้สึกว่าจะเป็นลูกที่สอนพ่อสอนแม่ พอเธอโตพูดพูดคึ้นมนได้ก็ให้การแนะนำพ่อแนะนำแม่เป็นเด็กฉลาดรีน่นเริงเก่งตอนนี้ก็สร้างเรื่องอยุงย่งอีกคุณก็แห่กันมาขอลกูกแน่นอ น, นเข้าชักเหนื่อยมาเต็มทีก็เลยรากฏหนูแย่ขอลุงหน้าเลยลูกลุงหน้าแก่แล้วไม่มีแรงสร้างลกูก <c oughs> ในใจกก็ยิ้มหัวเราะเปขาบอกว่าหนูไม่ต้องการให้ลุงนาช่วยสร้างหรอกเพราะสามีของหนูมีเขาก็ทําเก่งแต่แนื่ว่าทําไม่มีลูกลแล้วถทำทําไงล่ะในใจก็ถามว่าลุงนาทำยังไงคุณเอิญมีลูกบอกลุงนาไม่ได้ทําถ้าทําลุงนาสิ่งก็ขาดลุงนาให้ไปขอกับพระท่านนะก็แนะนำแกไปส่วนใหญ่แกก็บังเอิญได้อีกนั่นแหละ เรื่องมันเป็นอย่างนี้ไอ้พระนี่มันแม้มังเอิญมันเท่โอาณะตรงลอง่องถ้าจะถามว่าการขอพระกับพระพุทธรูปไอ้การขอรูป ก, กับพุทธรูปจะมีผลทุกคนไหมก็ต้องตอบว่าแต่ว่าคนที่สร้างกรรมที่เป็นอกุศลแล้วก็อย่างท่านโพธิราชคือฆ่าศัตว์ทั้งสามชีวิตคือหนึ่ง กินไข่สัตว์หมดแล้วกินลูกสัตว์หมดหมดรังนะกินพ่อสัตว์แม่สัตว์อย่างนี้ไม่มีลูกตลอดชีวิตถ้ากินไข่ของสัตว์ทั้งหมดไม่กินลูกไม่กินพ่อไม่กินแม่ตอนนี้ก็จะมีลูกมาไว้เวลาที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเอาเวลาเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่มีลูก ถ้าว่าเวลากลางคนจะมีลกูกถ้ากินลูกนกลูกไก่วัยกลางคนจะไม่มีลกูกจะมีลูกมาตอนอายุมากหน่อยไม่ไดมีลกมูกมาแก่แ้าไม่ถึงก็แก่งมอมถ้ากินแล้วทั้งหมดทุกการอันนี้จะไม่มีลูกเลยถ้าไม่ทําลายสัตว์ประเภทนั้นจะมีลูกตั้งแต่อายุยังเป็นเด็กนี่ตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัส การไปขอลูกกับพระพุทธรูป ก, ก็ย่่ต้องถือว่าเป็นการบังเอิญมากกว่าบังเอิญเขาเป็นคนมีบุญที่ยัมีเทวดามาสงเคราะห์ได้เคยเป็นพี่เป็นล้อมเป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานเป็นเทวดาดีมาเกิดคงจะเป็นการเข้าช่วงพอดีแล้วเขาก็มาขอาการแนะนํายังได้ลูกที่ดีเอาว่ากันต่อไปดีกว่า ตนนามนัสศีในตอนนี้ท่านให้ข้อว่าท่องนรกท่านอยกลมด้วยเขินมาอย่างนั้นนะท่านลอกแล้วท่านก็นบอกไว้เม่ว่ากันตนนามนัสศีว่าคิดที่จะผ่านงานที่พื้นที่ฟื้นแล้วเข้าสู่เกณฑ์อุปสมบทนี่หมายความว่าเวลาที่บรรเทกเสียงคิดว่าจะผ่านงานที่ฟื้นมาแล้วไปเข้าเขตบวชพระเลย แต่ก็พอดีท่านอาจารย์ใหญ่มาเตือนบอกว่าไม่ควรจะผ่านไปเพราะว่าถ้าผ่านไปแล้วนังสือจะหาผลยากเราไม่ได้เล่านิทานแต่เป็นการพูดตามความเป็นจริงที่ประสบมาไม่ใช่เรื่องที่จะต้องกลัวการกล่าวหาว่าอดพิเศษหรือว่าอดอุตริมนุษธรรม มันเป็นกฎอันหนึ่งของชีวิตที่ผ่านมาเท่านั้นความจริงถ้าเราจะมีความวิเศษจะถ้าจะอดก็ไม่ใช่ของแปลกเพราะว่ามีของวิเศษที่จะอดท่านาอย่างนั้นอาจารย์ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ห้ามท่านห้ามแต่พวกที่ไม่มีของวิเศษแต่โกหกชาวบ้านว่ามีทั้งหากมาใช่ไหม ว่ามีก็ว่าไปคนที่เขามีจริงก็เลยไม่ไม่อยากจะอดเรื่องที่เล่าถูกกันฟังนี้ไม่ใช่เรื่องของผู้พิเศษเป็นกฎของผลแห่งกรรมกรรมคือการกระทำท่านว่าพูดได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวใครว่าถ้าเขาไม่เชื่อก็เชิญเขาทำอย่างเมื่อเราเป็นเด็กนะ และก็เชิญให้เขาลองตายดูอะไรญาติโยมที่รับฟังฟังคำท้าอาจารย์ท่านเตือนถ้าถามว่าอาจารย์นี่เป็นใครเวลานี้พูดง่ายแล้วละมั้งมันไม่ยากเพราะว่าเวลานี้ตั้งแต่เด็กอนุบาลถึงด็อกเตอร์ชาวบ้านตั้งแต่เด็กถึงคนแก่คนเฒ่า และขั้นการชั้นบนน้อยถึงขัานการชั้นบลเอกต่างคนต่างฝึกมโนยิทธิเป็นได้มากและการฝึกได้มโนยิทธินี่จะรู้พบต่างๆรู้อดีตอนาคตต่ปัจจุบันใน <c oughs> เฉพอะอย่างยิ่งปัจจุบันที่เห็นได้ว่ามันดีชัดๆก็คือคนมีศีลห้าเป็นปกตินี่ เวลานี้ถ้าบาังเอิญจะพูดอะไรลงไปถ้าโกหกอะไรเขาจับได้เหมือนนั้นแหละว่าคนประเภทนี้มาฟังแล้วท่านรู้ทันทีว่าก็ไม่ตามหนังเสียท่านว่าพูดได้เต็มที่นะไมาเป็นความจริงไม่ต้องกลัวใครถ้าเขาไม่เชื่อก็เชิญ เ, เขาทำอย่างเมื่อเราเป็นเด็กและก็เชิญให้เขาลองตายดู เมื่อตายแล้วถ้ามีผลไม่เหมือนกับไม่เหมือนกันก็จะปรับกันยังไงก็เชิญปรับกันได้ฮะแต่ยอมเราก็ยอมรับให้เขาปรับด้วยประการทั้งปวงยอมทุกอย่างเอา้ยาย่าโยมใครอยากจะปรับจะเปิี่ยรก็เอาลองตายกันดูนะถ้ามันไม่เป็นจริงตามธรมาว่าจะเชิญมาปรับได้ตามปัญยาใส เป็นนว่าท่านผู้อ่านนะตอนนี้ต่างลางสีว่าจะลองทําอย่างเด็กไร้เดียงสาไม่รู้จักพระธรรมวินัยทําไปแบบนกแก้วนกขุนทองพูดไปตามคนที่สอนไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องไม่รู้ความหมายที่พูดอ่าอย่าจะมาทําเมื่ออย่างฉันทําเมื่อเป็นเด็ก เป็นนั้นว่าเอาปฏิบาทาเมื่อเป็นเด็กมาก็แล้วกันนะนี่เราพูดกันถึงปฏิบาทาที่เป็นเด็กไม่ใช่ปฏิบาทาที่เป็นพระปฏิบัติที่เป็นพระนี่ท่านจะไม่เป็นเรื่องดูดูแล้วมันสู้เด็กไม่ได้นะ่ะเป็นเด็กดีกว่าเยอะเป็นนั้นว่าลองเอาปฏิบาทาที่จะ ม, มาเป็นเด็กไปทําดูบ้าง ทำให้ได้อย่างนั้นแล้วก็ตายจริงหรือจะลองตายก็ได้เพราะผลตอนตอนนั้นมันจะมารู้เมื่อบทแล้วว่าปันเป็นฌานตอนนั้นไม่รู้ว่าฌานไม่รู้เรื่องแม่ก็ไม่ได้บอกเป็นฌานแล้วก็เป็นมโนมยิธิคือมีลิทธทางใจถ้าจะลองตายก็ลองได้จะตายได้อย่างสบายสบาย จะตายไป น, นานๆก็ได้จะตายเร็วกับพื้นเร็วๆก็ได้ตายพื้นเช้าฟื้นเร็วก็ได้เพราะได้มโนยิธิเนี่ยคล่องตัวมากเจ้นั้นมโนยิธินี่อาตมาเพิ่งรู้ว่าได้มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุเจ็ดปีาอายุเจ็ดปีก็ไปไหนก็รู้แล้วต่ออะรหมด เป็นน้ว่าถ้าจะตายชาได้ก็ตายตายฟื้นชาตายฟื้นได้คนได้ตายไปเดียวเดียวหรือว่าตายนับชั่วโมงตายนับวันก็ได้ตายไปหาสิ่งที่พระท่านทดสอบคำสอนตายไปหาสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านว่ามีแต่เราไม่เห็นไปค้นให้พบตามความต้องการ มันจะเป็นการตายเล่งโกโก้แล้วก็มีประโยชน์นะเป็นการทดสอบคำสอนของของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอย่างสบายกรรมแบบนี้กรรมประวการกระทำนะขอว่ากุรลรการกระทาแบบนี้พระประเภทบวชเพื่อหนีสงสารท่านริงท่านทำได้ทุกองนะ คือคำว่าพระที่บวชผู้หนีทุกขารและญาติโยมผู้บริษัทคือว่าท่านมีเจตนาบวช ด, ดีเอางี้ก็แล้วกันเวลานี้อาตมาคิดว่าพระที่บวชหนีทุกขารน่ะมีเยอะอย่างที่ท่านบวชมาหลายหลายวัท่านเรียนนักธรรมได้ท่านรู้ธรรมะเวลาที่ยังคุยธรรมะกับญาติโยมฟังรู้สึกว่าท่านคุยเก่งคุยคล่อง คุยคร่องและกันรู้ทุกอย่างนี่ประเภทหนึ่งรายการทีสองพระที่มีหน้าที่ควบคุมบัญชาบังคับบัญชาพระนี่ประเทศหนึ่งและพระนักเทศอีกประเภทหนึ่งเป็นว่าพระที่เป็นเจ้าเป็นผู้ควบคุมพระคนดีเป็นครูนักธรรมคนดีเป็นนักเทศคนดีเป็นนักเรียนธรร ม, มะมันแล้วคนดีนะ เป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าน้ําหมวดเป็นเจ้าน้ําเพื่อเป็นเจ้าคณะจังหวัดและเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพระสังฆาธิการเป็นพระครูเป็นสมุปเป็นเจ้าคุณเป็นสมเด็จเป็นสมเด็จพระสังฆราชท่านทั้งหมดนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพเพศทุกอง์ชื่อว่าเป็นพระนิสงสาร ถ้าท่านว่าไม่ประสงค์นีสงสารท่านก็ไม่บวชอยู่นานท่านก็ต้องบวชตามประเพณีแล้วก็สิกแต่ก็ไม่แน่เพราะที่บวชตามประเพณีนี่ครับวชได้ศรัทธาจริงเพียงแค่ไม่ถึงเดือนก็กสามารถได้มโนยิธิเวลานี้สองสามวันอย่างช้าที่สุดฝึกสามครั้งหรือหกครั้งเขาก็ได้กันอาจมาเห็นเด็กบ้างผู้ใหญ่บ้างที่ท่านเป็นคราวญา พป๊อแป๊บป๊อแ ป, ป๊บได้เลยนี่พูดด้กความจริงใจว่ารู้สึกอายเด็กจริงๆเนยะเวลามาอจะมาบทเป็นพระจะเอาต่อขึ้นมาเนี่แหมระยะมันยาวดูท่านหลายที่ทำเวลานี้ป๊อกแป๊บป๊อแ ป, ป๊บบางคนสิบนาทีอาไปกินแล้วนี่เป็นน้นว่เวลานี้คนมีวาสนาบารมีดีมากแต่ว่าอย่าลืมนภสิษฏ์โบราณ ว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนเลวถมไปเออเขอโทษคนชั่วหายากคนดีถมไปเป็นว่าท่านทำนง่ายฉะนั้นเวลาพระผู้ใหญ่เรี๋วไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ญาจโยมเขาไปคุยกับท่านท่านรู้ระเบียบวิ น, นัยสั่งสอนโยมดีนั่นแหะอาจมามีความมั่นใจว่าท่านโพนี้ท่านได้ทุกอง เช้เวลานี้ที่ญาติโยมพุทธบริษัทมีความสงสัยอะไรถามพระพู้นี้ท่านได้แต่บางเอื่นท่านบอกว่าไอ้ที่พูดไปพูดไปตามตำราที่เขียนไว้ไม่ได้ปฏิบัติก็จงคิดว่าท่านเป็นพระสุธรรมเถนสมัยตอนต้นที่องค์สมเด็จพระทุทศพลทรงกล่าวว่าพระสุธรรมเถนเป็นผู้จบพระใยบิดก แต่ก็ไม่ไมีฌานสมาบัติไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเวลาที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงเรียกว่าไง้ขัวใบลานเปล่ามาแล้วหรือเวลาที่ท่านลากลับพระพุทธเจ้าก็ทรงจัดว่ากลับมาหรือขัวขัวใบลานเปล่านั่นหมายความว่าดีแต่ทรงจาตามตาราคาสอน แต่ว่าใจไม่ได้ดีพอไม่สามารถทําชานสมาบัติหรือไม่สามารถระงับมีวรได้และก็ไม่สามารถระงับกิเลสได้ก็เป็นนั้นว่าวิชาความรู้ที่มีแจกันสีก็เหมือนกับถือกระดับเปล่าถือเป็นลานเปล่าถ้าเวลานั้นเวลางสีที่เขาใช้กันเขาแจจานลงเปลานนี่เป็นว่าพระทุกท่านที่ท่านมันแนะนําญาติโยมพุทธบริษัท และโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งมีตำแหน่งหน้าที่ต่างๆอา ต, าตมามีความมั่นใจว่าท่านหลายเหล่านี้เรื่องมนโนยิธินี่เป็นเครื่องขีผงสำหรับท่านท่านได้กันแน่ในความเข้าใจไม่ใช่พยยากรจะนึกพัยากรคิดเอาว่าถ้าว่าท่านไม่ดีก็ไม่มีใครเขาแต่งเขาตั้งเขาไม่ยศนุทาและไม่ให้บรรดาศักดิ์ ถ้าลงมียศมีมรนดาศักดิ์มีตำแหน่งแต่งตั้งให้ควบคุมเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นธรรมทูตอะไรก็ตามเพราะว่าธรรมจาริกอาตมาว่าผู้นี้ท่านตรงได้หากว่าท่านไม่ได้ท่านไม่รับอาสาถ้าไม่ทำงานแบบนี้หรอกเพราะการทำแบบนี้จะต้องเอาความจริงในพุทธศาสนามาเย็นยันกัน เพราะอาแหนงสิว่าถ้าจะไปถามท่านผู้นี้นั่นเป็นว่าไม่มีอะไรเป็นของแปลกเว้นไว้แต่พระที่บวชตามระเพณีคือโบกบวชนอกแบบไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าเขาบวชกันทําไมบวชตามเขาเอ็งเอบอกว่าบวกลับบวกลีบวจนิสุนฉานบวชถ่ายเข้าสุขบวสนุกเต็มเพื่อนหรือบวแล้วขี้เต็มฐานจิตนานไม่จบพวกนี้ทําไม่ได้ เขาไม่ตั้งใจบวชจริงนั่นสิก็ว่าพร่กฎของพระที่บวชนั้นจะต้องปฏิบัติจริงๆคือบวชไปแล้วต้องปฏิบัติจริงคือหนึ่งมีศีลบริสุทธิ์สองมีสมาธิตั้งมัน่นคือมีฌานสมาบัติสามมีวิปัสสนาญาณครบถ้วนมีพระจริงๆในโยมนะั้นท่านปฏิบัติตามนี้จริงๆไม่ตั้งกลัวเรไปถามนั่นได้ท่านรู้ทุกอง รันเมื่อได้ครบทนแล้วกิจที่เด็กไร้เดียงสาทำได้และเรื่องอะไรที่พระที่เป็นนักปราชญ์จะทำไม่ได้เว้นไวแต่ว่าท่านจะไม่ทำเพราะเห็นว่ามีผลช้าแต่ว่าท่านมุ่งเอาอารหันด้านสุขวิปัสสโกก็เป็นภาระของท่านที่จะเว้นกรรมอย่างนีเสีย เป็นนะว่าอย่าลืมวาอรหันสุขวิปสโกนี่ก็มีเยอะเห็นบอกฉันไม่เห็นเพร่เห็นเทวดาจ้าอย่าลืมนะท่านโู้ น, นั้นท่านปฏิบัติสายสุขวิบาสโกก็มีฌานสมาบัตเป็นบสุนดาสีทาคารนาคารหันเหมือนกันไหว้ได้ดีโยมไปถามท่านเถิดว่าท่านบอกไม่เห็นต่อตีความหมายไว้ก่อนว่าท่านอาจจะเป็นอรหันสุขวิบาสโกถามท่านเลย ว่าเรื่องคุณเจ้าปฏิบัติตามสายสุขาอุปสักโกใช่ไหมและเวลานี้เป็นพระหัน์แล้วใช่ไหมถ้าไม่เี่นนั้นก็คงไม่มีธรรมะมาสอนนิฉันเจ้าค่ะแล้วก็ผมรับเป็นมาเรื่องตอนนี้ก็ต้องมาจบลงสําหรับวันนี้ต่ออินิตาณสีว่าเรื่องที่เด็กทําได้และก็ผู้ใหญ่ทําไม่ได้ไม่เคยปรากฏมีในประวัติศาสตร์ นี่หมายความอาตมาเวลานี้ก็เด็กในบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทไม่มีตําแหน่งหน้าที่ไม่มีอํานาจวาสนาบารมีในพระพุทธศาสนาก็เป็นลุงตาห่วยๆโ ย, ยงหนึ่งเท่านั้นสมัยน้นก็เด็กเด็กทําได้มาสมัยนี้ก็ยังเป็นเด็กอยู่นะใครเขามีหน้าที่นิดหนึ่งก็แสดงว่าโตกว่าอาตมา และเวลาเนี่ยแตมาจนถือว่าแตมามีภาระคือเป็นเด็กปมมืออะระวัรดาญาโยมพุทธบริษัทมองดูเวลามันเลยไปแล้วหนึ่งนาทีวันนี้ก็ต้องขอล า, าญาโยมพุทธบริษัทก่อนให้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจึงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี